ก็ที่ผ่านมาก็ตั้งแต่แรกๆเลยก็เข้าใจผิดในเรื่องของการเอาจิตไปดูภายนอกครับแต่พอมาเจอหลวงตาก็ได้สอนบอกในสิ่งที่เราลืมคิดไปคือเรื่องการมาดูจิตภายในตัวเองพอเริ่มมาดูจิตภายในตัวเองก็เริ่มก้าวแรก คือเรื่องของการรักษาใจก็โดยวิธีการทําให้ใจที่ไม่ดีกลายเป็นใจที่ดีพยบบาบังครับก็รู้ว่าการทำแบบนี้มันก็ผิดอีกเพราะว่ามันเป็นการที่เราไปกระทําตอนหลังก็รู้ว่าการทําให้ใจรับรู้ภายในได้ก็คือการแค่ดูดเฉยครับการดู ดูแค่สังเกตว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรบ้างเช่นเราทำอะไรอยู่เรารู้สึกยังไงอารมณ์ตอนนี้เราเป็นยังไงแล้วคำตอบมันก็จะสั้นๆครับว่าพอตอนนี้เราเราตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าอะไรพอทำซ้ำเรื่อยๆ ครับมันก็จะเริ่มเฉยๆกับความรู้สึกตรงนั้นเช่นเดียวกันครับดูพอเวลามาดูสังขารก็ดูเฉยๆว่าสังขารปวดหลังก็ดูเฉยๆว่า อ, อ๋อปวดหลังมันปวดหลังเราก็ไม่ได้ไปวิตกว่าปวดหลังต้องเอามือมานวดดีไหมปวดหลังต้องบิดเอวหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่า ถ้าเกิดอาการเครียดมากๆเนี่ยมันก็จะปวดคอเราก็พิจารณาแค่ว่าเราปวดคอมันตรงนี้ด้านซ้ายครับพอพอสังเกตเฉยๆครับมันก็แปลกเหมือนกั น, นครับว่าพอเราสังเกตแล้วเราก็เฉยๆกับมันถ้าพักมันก็หายเองในความรู้สึกที่ ปวดไหลอ่อะไรเงี้ยมันก็หายไปเองความรู้สึกเริ่มเครียดมันก็เริ่มหายไปเองออกมาก็เป็นเรื่องการฝึกการให้สติมาอยู่กับตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้ทําอะไรอยู่แต่มันชอบเผลอเผลอหลงไปเพราะว่าเราอาจจะคุยคนนั้นคนนี้เราอาจจะมีงานของเราหน้าที่ของเราต้องทําอะไรเราก็จะเผลอไปคิดอันนี้พอศึกษามาสักพักห น, นึ่งก็เริ่ม แล้ว ร, รู้สึกว่าสติเรากําลังมันน้อยครับมันตามจิตไม่ทันจิตมันแว บ, บไปคิดสติมันตามไม่ทันกว่าจะตามทันมันก็นแบบสักพักแล้วครับยิ่งยิ่งเวลาทะเลาะกับใครหรือโมโหกับใครนะครับก็พอเริ่มเริ่มฝึกสติมากขึ้นเริ่มเริ่มพยายามอยู่กับปัจจุบันครับอยู่ว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ตอนนี้กินข้าวตอนนี้เดินอยู่ตอนนี้ขับรถอยู่นะครับพอเริ่มฝึกสักพักก็ไปเจอกับ สถานการณ์สถานการณ์จริงที่บ้านครับคนที่ทำให้เกิดปัญหาถือคือคนที่อยู่ที่บ้านครับเมื่อก่อนอาจจะต้องทะเลาะกันยาวครับแต่ตอนหลังนี้พอพอเริ่มรู้ตัวเองกลับมาคิดก็เริ่มทะเลาะน้อยลงครับเริ่มเริ่มหยุดเริ่มมันเริ่มมันเริ่มไม่ไปต่อครับแต่ก็รู้สึกตัวว่าสติ เร า, าตามจิตเราไม่ได้ยังตามอารมณ์ไม่ได้เท่าไหร่ครับตอนนี้ก็มีความใส่เรื่องเดียวเ ร, รเรื่องกําลังสติครับเรื่องกับกับการทําไงให้กําลังสตมิมีมากขึ้นเพื่ อ, เ พ, อเพื่อตามจิตทันครับครับหลวงตครับของพีเนี่ยมันเหมือนเส้นจะแดงผักแปกเลยคือจะเข้าใจตรงนี้ได้ไหมเยอะถ้าเข้าใจก็เข้าใจไปเลยออก ม, มันไม่ยากเหมือนคนอื่นแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ถึงงๆใช่ไหมนี้ตัวอย่างอะไรตัวตรงๆว่ตรงๆตรงๆก็คือพี่เอาตัวเองอ่ะรู้ ต, ตัวเองเอาตัวเองอ่ะก็คือเอาตัวขัน่าเนี่ยรู้ตัวขาน้าเองแล้วก็พยายามมันมวิเคราะพยายามเอาเราใ ห, ให้รู้ให้มันเป็นอย่างนี้ ก็จะหลงไปอย่างนี้พยายามมารู้สึกตัวไว่ไอมันหลงอย่างนี้ไอ้เป็นอย่างนี้พยายามให้มีสติไว้พยายามจะทำให้สติให้มันไล่ให้ทันไล่ทันทั้งหมดแล้วก็หลงไปอีกอ่ะก็พยายามให้มีสติให้มีสติไว้อันนี้มันคือเอาตัวเองอ่ะรู้ตัวเองคือเอาเอาขันหน้ารู้ตัวเองซึ่งจะแดงผ่แปดคือทํำยังไงอ่ะพลิกกลับด้าน พิกลับด้านให้มาเป็นเนี่ยไอตัวเราที่พยายามรู้ตัวเองเนี่ยมาเป็นตัวถูกรู้ให้มาเป็นตัวที่ถูกรู้แต่ตอนเนี้ยเราเอาตัวเราเองอ่ะรู้อยู่ตัวเองอยู่ในตัวเองแต่ทําไงให้ให้พีเนี่ยกลับด้านกลับด้านมาเป็นรู้ตัวเองแทนที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปรู้แต่ให้พิกลับมาเนี่ยมารู้ตัวเองจะเข้าใจไหมนิดๆครับนิดๆเดี๋ยวจะยกตัวอย่างไรวะ มันมันอย่างนี้มันไปคล้ายกับพี่อย่างนี้พีเอาเอาตัวเองอะไปยืนไปยืนดูตัวเองแปลว่าพีเอาตัวเองไปต่อกระจกใช่ไหมเอาตัวเองไปต่อกระจกแล้วก็พีก็เอาตัวเองที่ยืนอยู่หน้ากระจกอะดูตัวเองในกระจกคือเอาตัวเราเนี่ยไปยืนอยู่หน้ากระจกเงาแล้วเราก็ดูตัวเราในกระจกเงา ตอนเนี้ยพีไปเจอแบบนั้นคือเอาตัวเราเนี่ยดูตัวเราในกระจกเงาแล้วไอ้ตัวเราที่ยืนหน้ากระจกเงาเนี่ยมันก็เลยมีกิริยาการแสดงกิริยาการได้คือพยายามจะมีสติตไล่ให้ทันแสดงไม่ให้หลงรู้ของเรามันมีอารมณ์ได้มีอยางวุ่นอย่างนี้ได้เราพยายามจะให้รู้ของเราให้มีสติไม่ให้มันหลงมันมีการพยายามได้มีการปรุงแต่งได้แต่เนี่ยเพราะอเราไปเจอไปตัวที่อยู่หน้ากระจกเงาที่ถูกเนี่ยมันต้องกลับได้นกันคือ ตัวเราที่ยืนอยู่หน้ากระจกเงาเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวถูกรู้มันจะต้องเป็นตัวถูกรู้เป็นตัวถูกรู้ละปล่อยวางไอ้ตัวเราที่ยืนอยู่หน้ากระจกเงาเนี่ยจะต้องเป็นตัวถูกรู้ละปล่อยวางแต่ตอนนั้นพีเนี่ยปฏิบัติแบบเอาตัวเราเนี่ยกลายเป็นเป็นตัวที่ยืนอยู่หน้ากระจกเงาแต่แท้จริงเราแต่แท้คือกระจกเงาที่มารู้ตัวเราเป็นกระจกเงาที่มารู้ตัวเราสะท้อนมารู้ตัวเราจริงๆคือผมก็เป็นกระจกมาดูตัวเองใช่ไหมครับเออถูกต้องถูกต้อง แต่ตอนนี้เอาตัวเราเนี่ยไปดูตัวเราในกระจกแต่จริงๆเราต้องเหมือนกับเป็นกระจกเป็นผู้รู้แต่กระจกมารู้ตัวเราที่อยู่หน้ากระจกอเคครับนั้นไอ้ตัวเราที่รู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้เนี่ยเนี่ยคือตัวที่ยืนอยู่หน้ากระจกครับไอ้ตัวเราที่รู้รู้พยายามจะไงผมไม่มีสติรู้ต้องทันพยายามจะทำยังไงให้ให้มันทันอย่างนี้ทันอย่างนั้นอย่างเนี้ยมันก็คือตัวเรามันเป็นตัวเราที่อยู่หน้ากระจกโอเคครับเข้าใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยผมก็รู้ รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นกระจกแล้วมองตัวเองแต่ตอนนี้มันมันกลับกลับด้านไปเป็นตัวเราเนี่ยครับเป็นตัวเราที่อยู่ด้านกระจกอ่ะไปมองตัวเราในกระจกไม่มองกระจกะมองกระจกแทนครับเพราะว่าอาจจะเป็นการพยายามจะทําอะไรไปมันก็เลยกลับมาเป็นอย่างงี้อ๋อใช่ใช่แต่พอยายามจะทําอะไรปุ๊บมันจะกลับด้านมาเป็นตัวเราที่ปรุงแต่งได้ครับอ๋อเข้าใจแลครับปัญญาของพี่มันเนี่ยมันเหมือนเส้นจะแดงผ่าแปดไม่ยากทีแต่ว่าเนี่ยพลิกกลับด้านนั้นแหละครับ เหมือนกับพิกเนี้ยมันอยู่ด้านนี้อยู่เราผิดด้านเนี้ยก็กลับด้านมาดูตัวเราแทนแต่ตอนเนี้เอาตัวเราเนี่ยไปรู้ให้กลับด้าน่มารู้ตัวเราเข้าใจไหมเข้าใจครับเออฉั้นตัวเราจะเป็นยังไงมันจะสุขจะทุกข์จะเสี ย, จยสใจเศร้าใจเป็นตัวตนถูกรู้ละปล่อยวางครับแล้วก็ถูกรู้ละปล่อยวางไปถึงจนถึงตัวเราที่มันมีความคิดความปรุงแต่งในใจแล้วยังไงก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ละปล่อยวาง แต่รู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกระจกเฉยแต่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่ถูกกระจกรู้ละปล่อยวางแต่เราจะไปหากระจกไม่เจอหรอกคือถ้าตัวเราเนี่ยถูกรู้ละปล่อยวางเราก็จะกลายเป็นไปกระจกอัตโนมัติเราไม่มีหน้าที่เลยว่าเอาตัวเราอยู่หน้ากระจกอะไปหากระจกเราหาไม่เจอหรอกเพราะกระจกมันไอตัวที่ผู้รู้ที่เหมือนกระจกเนี่ยมันทําหน้าที่รู้เหมือนกระจกแต่ตัวตนมันไม่มีเราเอาตัวไอหน้ากระจกตัวเราเนี่ยตัวขันหน้าไปยามไปหาไอตัวผู้รู้หาไม่ได้นะ เราจะทํำมันเอ๋หลายคนปฏิบัติผิดพยายามไปทําให้มันรู้เปล่าๆรู้เฉยๆอันนี้ผิดคือต้องปล่อยวางตัวเราอย่างเดียวเลยแล้วถ้าปล่อยวางตัวเราหมดอยู่ตลอดเวลามันก็จะกลายไปเป็นกระจกอัตโนมัติเพราะั้นไอ้ตัวเราเนี่ยตัวง่ายตัวของพีที่มันมีความตึกตองลยในใจที่พอกระดาษลงตาพูดเนี่ยแล้วมีความตึกตองอย่างนุ่นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ งงงงงงงงงงงงงงงงงอะไรในใจเนี่ยตอนเนี้ยป่อยให้มันทำอย่างอิสระเลยป่อยให้พูดปล่อยให้มันบนอย่างอิสระเนยปล่อยพูดมันบนอิสระมันเป็นยังไงปล่อยนเลยไปอิสระเพราะว่าตมันเป็นตัวที่อยู่หน้ากระจกนั้นปล่อยเลยปล่อยให้มันไอตัวที่พูดงงงงงงงงเยปล่อยมันพูดมันบนมงแต่ยังอิสระเลย้ปล่อยอิสระแต่ไม่ใช่เข้าใจผิด ถ้าตัวเราไปทําไปไล่มีสติไอการที่เราปล่อยวางตัวเราตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วโอเคนั้นไอตัวเราที่มีอาการยังไงก็ตามตัวเราเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยมันมีความคิดอารมณ์ความรู้สึกงงงงงงงงงงงในใจอะไรเนี่ยไม่ว่าจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะบุญบาปอะไรเนี่ยที่มันพูดได้บ่นได้ในในใจเนี่ยปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็น ไม่มีใครไปยุ่งกับอะไรกับมันเลยไม่มีใครไปยุ่งกับอะไรกับมันปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นตอนไหนถ้าเราปล่อยให้ไอ้ตัวขาน้าเนี่ยมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันก็จะกลายเป็นอะไรผู้รู้ที่หาตัวตนไม่เจอเดียวอัตโนมัติเพราอะไรอ่ะถ้าลองคิดดูสิใครมารู้ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเราที่ถือมาอยู่เนี่ยที่กําลังถือมาอยู่เนี่ยมันพูดอะไรมันงอแงงอแงมันมีอาการไงสบายใจไม่สบายใจุใครไม่คนมารู้ล่ะ ไอ้ตัวนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปถามหาผู้รู้อันนั้นหรอกเพราะว่ามันรู้ละปล่อยวางตัวเราที่กําลังถือไม้ที่กาลังโต้ตอบอยู่วกับลุงตาเนี่ยไอ้ตัวเราตัวเนี้ที่กําลังถือไม้โต้ตอบลุงตาเป็นตัวที่ถูกปล่อยวางตลอดเวลาฉนั้นถ้าไอ้ตัวเนี้เป็นตัวที่ถูกปล่อยวางตลอดเวลาแสดงว่ามันต้องมีผู้มารู้มันรู้ตัวเราโดยที่ไม่ยึดถือตัวเราบางที่ปล่อยให้ตัวตัวเราที่ถือไม้เนี่ยมันแสดงกิริยาการอย่างอิสระ อยอิสระไม่มีใครเข้ามายึดถือไม่มีใครเข้าม า, าแทรกแซงพระเจ้าจะเข้าใจไหมเข้าใจแลั่ยังไงเราทางทางตรงตายขอดนะครับเราททวนได้ยังไงเนี่ยทบทวนทบทวนเราได้ยังไงครับก็คือตอนนี้ครับไม่ว่าจะรู้สึกแบบไหนอารมณ์แบบไหนเป็นยังไงคิดอะไรครับก็ปล่อยลงไปครับปล่อยปล่อยไม่พูดให้คิดไปแล้วก็ดูเฉยๆครับอืมครับ มันจะว่ามีตัวเราไปดูเฉยๆนะเอออปล่อยปล่อยมันไปปล่อยมันไปถ้าเราเนี่ยเอาตัวเราไปยญญาไปดูเฉยๆอันนี้มันแสดงว่าไม่ปล่อยครับไม่มีแม้แต่ผู้ที่จะไปดูมันครับเฉยๆครับเออครับไม่มีแม้แต่ผู้ที่จะไปดูมันนะมีแต่ไอตัวเราเนี่ยครับถูกปล่อยวางถูกปล่อยวางถูกปล่อยวางดูลังเกตตละดเวลาปล่อยให้มันเป็นไปครับเออใช่ใช่ถ้ากระจกไปอยู่ด้านหลังได้ไหมครับ อย่าไปทํากระจกด้หร่ะเดี๋ยวจะไปสร้างกระจกไว้นอกตัวเราไปสร้างบุรุษไว้นอกตัวเราแต่คล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่จะไปสร้างนะครอย่าไปสร้างคล้ายๆอย่างนั้นแหละเพราะบางทีก่อนนั่นเนี่ยก่อนจะหลงตาครับผมบางทีชอบคิดว่าเราเราดูตัวเองอยู่อะไรเงี่ยคล้ายๆอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปสร้างตัวเรามาดูตัวเองอะไอ้ตัวที่ที่เราไปสร้างรู้ว่าที่มาดูตัวเองไอ้ตัวนั้นจะต้องเป็นตัวถูกรู้เพะ ไอตัวที่สร้างไว้นอกตัวเราแล้วที่มรรู้ตัวเรามันจะสามารถคิดนั่งอยูตอนปรุงแต่งได้ไอตัวนั้นเป็นตัวถูกรู้นะมันจะไป่จไม่จะเป็นตัวผู้รู้แต่ตัวนั้นก็ดูเฉยก็ได้นะครับถ้าเราสร้างตัวเราไปอยู่นอกตัวเราแล้วพยายามบรรลตัวเราเฉยเฉยไว้ไอตัวนั้นเป็นตัวถูกรู้เพราะมั น, นสามารถไไพยายามได้ออืมันจะพยายามให้รู้เฉยเฉยได้มันจะมีการพยายามทําให้รู้เฉยเฉยเราแล้วมันมันต่างกับกระจกด้านหน้าไหยครับ ข้างหลังหรข้างหน้านครับไม่มีอก oh. ระจกคือใจเราอ oh, ครับไม่มีอยู่นอกตัวเราคือใจของเราอ๋อ oh, ครับนั่นแมันเลยรู้ตัวเราตัวเราเวลาเพราใจแล้วครับใจครับมันเป็นใจเราเราเลยไม่สามารถรอดพ้นมันได้ไม่ว่าเราจะคิดถึงต้นตอพุ่งแต่งไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเราเลยไม่อาจรอดพ้นได้